วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา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 พระกรุณาคุณผู้ทรงมีความรู้เหนือกว่าความรู้ของผู้รู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจของสัตว์โลกทั้งปวง สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราแสวงหากันสร้างกันก็คือทรัพย์ภายในอย่าไปแสวงหาสร้างทรัพย์ภายนอกมากจนเกินไปหาทรัพย์ภายนอกพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอ พอให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อัตคัดขัดสนไม่ทุกยากไม่ลำบากก็พอไม่ต้องร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเพราะทราบภายนอกเป็นทราบชั่วคราวเราไม่สามารถ เอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วแต่ให้มาสร้างทรัพย์ภายในกันเพราะทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ของเราอย่างแท้จริงเป็นทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้เป็นทรัพย์ที่จะให้ความสุขกับเราให้ความสบายกับเรา หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดันั้นอย่าหลงไปหาความสุขหาทรัพย์ภายนอกมากเกินไปพอมีปัจจัยสี่ที่พอเพียงก็พอดังที่ในหลวงพระราชการที่เก้าเคยทรงตัดสอนรวงชนชาวายไว้ คือให้มีเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความพอเพียงในปัจจัยสี่คือในอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคให้มีไว้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบาย ไม่อดยาขาดแคลนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีพอเพียงแล้วก็ควรจะหันมาหาทรัพย์ภายในกันดีกว่าหาสมบัติภายในเพราะเป็นทรัพย์เป็นสมบัติที่เราเอาติดตัวไปได้ทรัพย์สมบัติภายนอก เราเอาติดตัวไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าเรามีทรัพย์ภายนอกพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วเราก็ควรจะมาหาทรัพย์ภายในกันดีกว่าทรัพย์ภายในนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันมีหลายระดับด้วยกัน เริ่มตั้งแต่มนุษยสัพพ์แล้วก็ขึ้นไปสู่เทวรัพพ์จากเทวศัพพ์ก็ขึ้นสู่พรหมสัพพ์จากพรหมสัพพ์ก็ขึ้นสู่อริยสัพพ์นี่คือทรัพย์ต่างๆที่เราควรจะแสวงหากันควรสร้างกันขึ้นมา ให้มาเป็นทรัพย์ของเราให้ได้เพราะทรัพย์เหล่านี้จะให้ความสุขกับเราและจะลดความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยใจของเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลา ถ้าเราสามารถหาทรัพย์ภายในในระดับสูงสุดได้นั่นก็คือทรัพย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรัพย์ของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทรัพย์ของพระอริยรสงสาวกทั้งหลายซึ่งจะหาได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น ภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่สามารถสร้างทรัพย์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สยทรัพย์เทวทรัพย์พรหมทรัพย์อริยทรัพย์ต้องเป็นมนุษย์ถึงจะหาทรัพย์เหล่านี้ได้ส่วนเวลาที่ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เช่นไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมหรือไปเกิดนยบายเป็นเปรต<ม>เป็นเดชะชานเป็นอสุรกาย<ม>ไปนรก<ม>สถานภาพเหล่านี้จะไม่อยู่ในสภาพที่สร้างรับภายในได้เพราะเป็นที่ไปรับผลของ การแสวงหาทรัพย์ต่างๆจะสร้างทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อมาเกิดในภพของมนุษย์เท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้ภพของมนุษย์ที่ประเสริฐนี้ผ่านไปโดยไม่ได้เอามาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของพวกเราด้วยการสร้างทรัพย์ภายในต่างๆให้กับเรา อย่าไปหลงกับการสร้างทรัพย์ภายนอกมากจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วอายุของพวกเราจะอยู่กันไปถึงกี่ปีก็ไม่มีใครรู้อายุแต่ละคนนี่สั้นบ้างยาวบ้างมีคนตายทุกอายุไขตายตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องแม่ก็มี ตายเจ็ดวันก็มีเดือนหนึ่งก็มีปีหนึ่งก็มีห้าปีสิบปีก็มียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีแต่น้อยมากคนที่จะมีอายุยืนยาวนาน ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงเก้าสิบปีร้อยปีเ mm hmm. พราะไม่มีใครรับประกันได้แม้แต่บริษัทรับประกันชีวิตเขาก็ไม่สามารถรับประกันชีวิตของเราได้ mm hmm. เขาเพียงแต่รับประกันทรัพย์สมบัติที่เราจะสูญเสียจากการเสียชีวิตไป เช่นถ้าเราทําประกันชีวิตไว้เราตายไปเขาก็จะเอาทรัพย์ที่เราควรจะมีควรจะได้มาทดแทนให้กับบุคคลที่เราต้องการที่จะให้เขาได้รับทรัพย์ของเราเท่นั้นแต่บริษัทประกันชีวิตก็ไม่สามารถประกันชีวิตได้ว่าซื้อประกันแบบนี้แล้วอายุจะอยู่ไปถึงร้อปีไม่มี ซื้อประกันแบบนี้แล้วอายุจะอยู่ถึงร2อยี่สิบปีไม่มีประกันแบบนี้ไม่มีมีแต่ประกันว่าถ้าคุณตายตั้งแต่วันที่คุณซื้อประกันชีวิต<ม>เขาจะจ่ายเงินทดแทนให้ง<ม>นั้นเราอย่าประมาทในชีวิตอันประเสริฐของพวกเราทุกคน<ม>การได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ เป็นของยากอยู่แล้วนานๆจะได้มาเกิดสักครั้งหนึ่งเพราะจะต้องไปเกิดรับผลบุญผลบาปต่างๆที่ได้ทำไว้ในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันพอจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานา น, านสักเท่าไหร่และโดยเฉพาะการที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา ยิ่งเป็นการมาเกิดที่ที่เป็นประโยชน์มากมหาศาลเพราะว่าถ้ามีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเป็นผู้คอยสอนเราให้เราทําในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราสอนให้เราหยุดการกระทําที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ หรือเป็นโทษต่อชีวิตจิตใจของพวกเราและศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่จะสามารถสอนให้เราสร้างอาริยทรัพย์ได้ถ้าไม่มีศาสนาพุทธอยู่ในโลกในขณะที่เรามาเกิดกันเราจะสร้างสมบัติได้ก็เพียงสมบัติ ในระดับของเทวของพรหมสัพ์สูงสุดก็คือพรหมสัพท์แต่ไม่สามารถสร้างอริยสัพท์ที่สูงกว่าพรหมสัพ์ได้สร้างได้แต่พรหมสัพ์เทวสัพหรือมนุษยศัพท์แต่ถ้าแต่ไม่สามารถสร้างอริยศัพ์ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา มาคอยสอนคอยบอกพวกเราอย่างตอนนี้พวกเ ร, า ม, ร, เ า, ม ร, รามีพระสงฆ์องค์เจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสอนพวกเราอยู่เรื่อยๆทุกวันพระจะมีการแสดงธรรมทั่วประเทศสอนให้พวกเรามาสร้างอริยทรัพย์กันเริ่มต้นจากการสร้างมนุษยทรัพย์ก่อน แล้วไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับสู่เทวทรัพย์สู่พรหมทรัพย์และสู่อริยทรัพย์ตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหันตสาวกอันนี้คือประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้หลุดมือไปโดยไม่ได้ตักตวงผลประโยชน์ใดๆเลยจากการมาเป็นมนุษย์จากการมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ศึกษาธรรม เราก็จะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้รู้ว่าเราควรที่จะหาทรัพย์แบบไหนกันหาทรัพย์ทั้งสองแต่ให้รู้ประมาณรู้ความพอดีทรัพย์ภายนอกก็ต้องหาเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขแต่อย่าไปหามากจนเกินไป หาแบบของฟุ่มเฟือยใช้ของฟุ่มเฟือยใช้ของหรูหราไม่เกิดประโยชน์อะไรมากเสื้อผ้าราคาร้อยราคาพันกับเสื้อผ้าราคาหมื่นราคาแสนก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกันอาหารก็เหมือนกันราคาสูงราคาต่า ราคามากราคาน้อยก็ทำหน้าที่ของอาหารเหมือนกันที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันจะเป็นที่อยู่อาศัยราคาถูกราคาแพงมันก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบแดดหลบฝนเพื่อป้องกันร่างกายไม่ให้ถูกภยัยอันตรายต่างๆมาคุก ค, คามยารักษาโรคโรงพยาบาลก็เหมือนกัน จะถูกจะแพงก็ทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บเหมือนกันถ้าหายก็หายเหมือนกันถ้าตายก็ตายเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆแล้วจะไม่ตายถ้าถึงเวลาจะตายหมอรักษาไม่ได้ก็ตายทุกโรงพยาบาลเหมือนกันฉนั้นไม่ต้องไป หลงกับของหรูหราของฟุ่มเฟือยของแพงๆเอาของที่มันใช้ประโยชน์ได้ก็พอเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากในการหาเงินหาทองมาเลี่ยงปากเลี้ยงทองแล้วเราจะได้มีเวลามาสร้างทรัพย์ภายในกันทรัพย์ภายในนี้ ระดับแรกที่เราต้องสร้างก็คือมนุษย์สัพท์เองตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันอยู่เราอย่างน้อยต้องพยายามรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ต่อไปอย่าให้ตกลงไปต่ำกว่าการเป็นมนุษย์เพราะถ้าต่ำกว่าการเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นภพชาติที่ย่ำแย่เป็นภพชาติที่มีความทุกข์มากกว่าความสุข คือภพชาติในอบายสี่ภพชาติของเดาชะฉานภพชาติของเปรตของอสุรกายและของนรกอันนี้เราต้องป้องกันต้องรักษาระดับภพบชาติของเรารู้ทรัพย์สมบัติภายในของเราให้อยู่ในระดับที่เป็นอยู่ในขณะนี้อันนี้เราเป็นมนุษย์กัน เราควรที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ต่อไปให้ได้อย่าลดฐานะของเราลงจากความเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็น เ, น เ, ป, นเปรตเป็นอสูรกายเป็นนรกวิธีที่จะรักษาทรัพย์หรือสร้างทรัพย์อันนี้ไว้ให้มั่นคงก็คือการรักษาสี่ทานั่นเองเรียกว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวง บาป ก, ก็คือการทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเช mm hmm. ่นการฆ่าสัตว์ mm hmm. การทำลายชีวิตของผู้อื่น mm hmm. การลักทรัพย์ของผู้อื่น mm hmm. การประพฤตผิดประเวณี mm hmm. คือไปแย่งสามีภรรยาของผู้อื่น mm hmm. mm hmm. มีชู้กับสามีภรรยาของผู้อื่น mm hmm. เป็นชู้กับสามีภรรยาของผู้อและโกหกหลอกลวงนี่คือบาปที่จะเดินจิตใจให้ลงต่ำต้องละเว้นให้ได้การจะละเว้นให้ได้นี่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การไม่เสพอบายามุกเพราะถ้าเสพอบายามุกแล้ว จะทำให้ใกล้กับการกระทำบาปเพราะอบายามุขนี้จะสนับสนุนจะส่งให้ผู้เส็บอบายามุขนี้ไปทำบาปกันไม่ช้าก็เลยวะ่ะฉะนั้นต้องละอบายามุกห้าข้อคือไม่เดิมสุรายาเมาไม่เล่นการพนัน ไม่เที่ยวเต่โดยเฉพาะยามค่ำคืนไม่มีความเกียดค้านไม่เกียดค้านและไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะถ้าชอบถ้าคบกับคนที่ชอบอบายามุขเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายามุขกับเขา คบกับคนชอบเด่มสุราเขาก็จะชวนเราไปเด่มสุราคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบกับคนที่ชอบเที่ยวเตยเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตยชอบกับคนเกียดติทานเขาก็จะชวนให้เราเกียรติทานการกระทํา เหล่านี้ไม่เป็นการสร้างเป็นการเพิ่มทรัพย์สมบัติภายนอกของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นแต่จะมีจะทำให้ทรัพสมบัติที่เรามีอยู่นี้ลดน้อยถอยลงไปและถ้าไม่ระวังก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวได้ พอไม่มีเงินทองทีนี้ก็จะคิดหาเงินทองโดยวิธีมิชอบโดยการลักทรัพย์บ้างโดยการไปป้นไปที่บ้างและก็อาจจะต้องมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่าฟันกันนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรละเว้นกัน เราเว้นอบายามุขห้าเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปทำบาปสี่คือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤตผิดประเวณีโกหกหลอกลวงถ้าดื่มสุรายาเมาถึงแม้ว่าไม่เป็นบาปเป็นอบายามุขแต่พอเกิดอาการมึนเมาแล้วก็มักจะไม่สามารถควบคุมความคิดต่างๆของตนได้ ถ้าคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีออกมาคนดื่มสุรามาักจะพูดวาจาหยาบคายพูดวาจาที่เพ้อเจ้อทาให้ผู้อื่นเขาลำคาญไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยแลวถ้าไปคิดรเรื่องกระทำบาปก็จะยับยั้งไม่ได้ก็จะไปทำบาปได้อย่างง่ายได้ แต่ถ้าไม่เดืมซุาไม่มีความมึนเมา เ, ลเวลาคิดอะไรไม่ดีก็จะควบคุมได้เวลาจะพูดคำหยาบพูดอะไรไร้สาระก็จะห้ามได้จะไม่พูดเวลาจะทำบาปก็จะไม่ทำนี่คือการรักษาความเป็นมนุษย์ของพวกเราไว้อย่าทำบาป พราะทำบาปแล้วจะพาเราไปสู่การเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นคนที่ทำมาหากินอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็คิดว่าไม่บาปเขาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นการเลี้ยงชีพของเขาเป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขา แต่ทางหลักศาสนาก็ถือว่าบาปกฎแห่งกรรมก็ว่าบาปทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนก็จะพาให้จิตใจของตนตกไปเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเขาก็ทำแบบนี้กันสัตว์เดรัจฉานเขาอยู่ด้วยการฆ่ากันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนี่คือ ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ mm hmm. จะไปเป็นเดรัจฉาน mm hmm. ไปอยู่แบบ mm hmm. มีภัยรอบด้าน mm hmm. สัตว์เดรัจฉานนี่ไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ mm hmm. เขาไม่รู้ว่าเขาจะได้กินเมื่อไหร่ mm hmm. บางวันก็อาจจะไม่มีอาหารให้กิน mm hmm. เพราะหาอาหารไม่ได้ mm hmm. อยู่อย่างทุกข์ยากลาบากกว่ามนุษย์ mm hmm. มนุษย์นี้ค่อนข้างสบายเรื่องการหาอาหารพอหาอาหารได้และมีการสะสมอาหารได้วันนี้หาไม่ได้ก็มีเงินสะสมซื้ออาหารมารับประทานได้เห็นการรักษาความเป็นมนุษย์ไว้นี้ดีกว่าสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานกลับไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างไหนจะดีกว่ากัน เราต้องคิดอย่างนี้เราถึงจะไม่กล้าทำบาป ก, กันแต่ถ้าเราไปคิดว่าตายแล้วสูญตายแล้วไม่มีการไปเกิดต่อไปเราก็จะไม่กลัวการกระทำบาปเราก็จะหลงกับการทำบาเพื่อหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันแต่ตามกฎแห่งกรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไป เกิดต่อเกิดใหม่จะไปเกิดเป็นอะไรก็คืออยู่กับการกระทาที่ที่กระทาอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์ในขณะนี้นั่นเองถ้าทาบาปก็จะต้องลงต่ำลงจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทาบาปด้วยความหลงถ้าทาบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรต เปรตคือดวงวิญญาณที่หิวโหวยมีแต่เรื่องหิวโหวยมาม า, ามาครอบงำดวงวิ ญ, ญญาณของเปรตเปรตจะมีความรู้สึกหิวโหวยอยู่ตลอดเวลานี่คือพวกที่ทำบาปด้วยความโลภทั้งๆพอมีพอกินแล้วแต่อยากได้มากๆอยากมีมากๆ ก, ก็ต้องทำด้วยการกระทำบาป แล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่ไม่รู้จักพอได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านขึ้นไปก็ <c oughs> ถ้าทํำบาปด้วยความโลภใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำร้ายเราสัตว์ตัวนั้นสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้มาทำร้ายเราหรือคนคนนั้นคนนี้จะมาทำร้ายเราเราก็เลยทำร้ายเขาก่อนป้องกันตัวเราอันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าสุนักาย มีแต่เรื่องหวาดกลัวให้พบเห็นอยู่ตลอดเวลาดวงวิญญาณนี้เป็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับจิตใจของเราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณชั่วคราวแล้วจะเจอเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่เรานอนหลับเหตุการณ์ต่างๆนี้เราเรียกว่าความฝันแต่ความจริงมันเป็นความจริงมันไม่ได้เป็นความฝัน มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรานี้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ที่เราเรียกว่าฝันดีก็เพราะว่าเราได้ทำบุญเอาไว้บุญจะพาให้เราได้พบกับความสุขชนิดต่างๆบาปนี้จะพาให้เราไปพบกับความทุกข์ชนิดต่างๆตอนที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่เรานอนหลับนี้ก็ เป็นการไม่มีร่างกายชั่วคราวพอนอนหลับร่างกายก็นอนอยู่เฉยๆแต่ดวงจิตดวงใจของเรานี้จะเป็นดวงวิญญาณแล้วก็บุญหรือบาปที่เราทำจะเป็นตัวพาให้เราไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าทาบาปด้วยความโลภดวงวิญญาณก็จะพาบาปก็จะพาให้เราไปเจอแต่ เรื่องราวที่ทําให้เราหิวโหวยเช่ mm. นไปอยู่ที่โอดอยากขาดแคลนอยู่ที่กันดาร mm. มีแต่ความหิวโหวย mm. ถ้าทําบาปด้วยความกลัว mm. ก็จะพาให้ดวงวิญญาณเราไปเจอเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวต่างๆ mm. ถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท mm. ด้วยความโกรธเกลียด mm. เพียแคนจองเวนจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันบาปนี้ก็จะพาให้ดวงวิญญาณของเราไปพบกับเหตุการณ์ที่จะต้องมีการฆ่าฟันกันต่อสู้กันตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วถ้าเราไม่รักษาศีลห้ากัน ถ้าเราไม่ละอบายามุกกัน <Yeah. S 1> เราจะต้องไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง <Yeah. S 1> ไม่เป็นเดระชาน <Yeah. S 1> ก็เป็นเรด <Yeah. S 1> เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย <Yeah. S 1> เป็นนสุนลกาย <Yeah. S 1> เป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเป็นนรกเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทนต่ <Yeah. S 1> ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ และเว้นอบายามุขได้เราจะไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปตกอยู่ในสภาพเหล่านี้ตายไปเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ต่อไปเลยนี่คือนี่คือทรัพย์อันดับแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราสร้างกันรักษากันคือสร้างความเป็นมนุษย์ของเรา สร้างหรือรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ทุกครั้งที่เราทำบาปเราต้องบอกตัวเราว่าเรากำลังลงต่ำแล้วเรากาลังไปเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรต เ, เป็นอะไรแล้วฉะนั้นพยายามรักษาศีลให้ดียามเสียทรัพสมบัติต่างๆไปดีกว่ายามเสียอวัยวะยามเสียชีวิตไปดีกว่า เพราะชีวิตนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียด้วยกันทุกคนแต่อย่าเสียแบบขาดทุนคนจะเสียแบบกำไรเสียแบบขาดทุนก็เสียด้วยการทำบาป ก, ก่อนจะรักษาชีวิตด้วยการทำบาปเดี๋ยวก็ต้องเสียชีวิตไปถ้าเสียเสียชีวิตแบบนี้จะขาดทุนอยู่แบบนี้จะขาดทุน ก็จะไม่ได้อยู่แบบมนุษย์จะอยู่แบบเดรัจฉานแบบเปรตดั <Yeah. S 1> งนั้นต้องให้คำเห็นคุณค่าของธรรมคือศีลละธรรมนี้หังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า <Yeah. S 1> ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมรักษาศีลและธรรม ชีวิตของพวกเราทุกคนจะต้องสิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งแต่อย่าสิ้นสุดด้วยด้วยการขาดทุนสิ้นสุดด้วยการไปเกิดในอบายสิ้นสุดด้วยการทำบาปให้สิ้นสุดด้วยการไม่ทำบาปคือการรักษาสีหให้บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะรักษาได้ถ้าเราคิดถึงผลที่จะตามมานี้ เราจะไม่กล้าทาบาป ก, กันเหมือนกับเราไม่กล้าทำผิดกฎหมายกันเพราะเรารู้ผลที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียค่าปรับนี่เสียห้าร้อยห้าพันนี่เราไม่อยากจะเสียกันพอมีกฎระเบียบออกมาว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นถ้าไม่ทาตามกฎระเบียบจะถูกปรับนี่เราก็ไม่ทำกันเพราะเรา เสียดายทรัพสมบัติของเราเราก็จะรักษากฎหมายกันเข้ารบกฎหมายกันถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องลงต่ำลงไปสู่อาบายถ้าเราทำบาปกันเราก็จะไม่กล้าทำบาปกันนี่เรียกว่าการมีฮิริโอ ต, ตปะ<ม>การที่เราจะรักษาศีลได้นี้เราต้องมีฮิริความความ ความอายอด ต, ตปะคือความกลัวต่อผลของบาปที่จะตามมาถ้ารู้ว่าต่อไปเราจะต้องไปเป็นเดรัจฉานี้เราก็ไม่ทำบาปดีกว่าปัญหาคือเราไม่รู้กันเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานี้จริงหรือไม่จริงเพราะมันเป็นเหมือนสิ บ, บาปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแต่ ถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ควรเชื่อไปก่อนจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าเพราะคนที่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี้คำจากที่เขาได้พิสูจน์แล้วเขาก็จะมารับประกันว่าเป็นความจริงทั้งนั้นพระอาหารหันตสาวกทุกรูปไม่มีใครมาปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย ไม่มีใครปฏิเสธว่าคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นความจริงนี่คือวิธีที่จะทำให้เรากลัวบาปได้ไม่กล้าทำบาปได้ด้วยการมีความศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนี้จำอยู่มาถึงในปัจจุบันนี้ไม่ได้ 2,500 ห้ารอกว่าปีแล้ว<ม>ถ้าเป็นของปลอมนี่พอใครเข้าค้นพบปับ๊บบอกกันทับเดียวนี่ก็จะไม่มีใครซื้ออีกแล้วถ้าเป็นสินค้า<ม>ถ้าเป็นเงิน<ม>บอกนี่เป็นแบงก์เกนี่อย่าไปอย่าไปเอาที่ธนาคารนี่อย่าไปแลกเงินที่ธนาคารนี้ไปแล้วได้แบงก์เกมานี่รับประกันได้ไม่มีใครเข้าธนาคารนั้นอีกต่อไปเพราะรู้ว่าเป็นของเก๊ของปลอ ม, ม อันนี้ก็เหมือนกันคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่มากมาย ใ, ในพระไตรปิฎกนีมีอยู่ถึงแปดหมืนสี่พันธรรมบทด้วยกันเป็นคำสอนที่เป็นความจริงทั้งนั้นที่พระอาหารหันตสาวกเป็นผู้รับประกันเป็นผู้ได้พิสูจน์ด้วยตนเองจนรู้ว่าไม่มีคำ ไม่มีของแปลกปลอมอยู่ในคำสอนเหล่านั้นเลยดังนั้นในฐานะที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองก็ให้เราเชื่อคนที่เขาพิสูจน์แทนเราไปก่อนคนที่เขาพิสูจน์แล้วนี่เป็นเหมือนคนเปิดตาเขาเมื่อก่อนเขาก็ตาบอดเหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ตาดี พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอนำเอาไปปฏิบัติตามก็ทำให้เห็นตามที่พุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกประการทรงเห็นกฎแห่งกรรมเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นผลของบุญผลของบาปที่จะเกิดขึ้นต่อดวงวิญญาณที่ได้ทำบุญทำบาปไว้ ยังไม่มีพระอาหารหันต์รูปไหนมาคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคาสอนที่ไม่เป็นความจริงน <Yeah. S 1> พวกเราตอนนี้ยังมืดบอดอยู่ยังไม่สามารถเห็นแบบที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกเห็นได้ <Yeah. S 1> ก็ขอให้เชื่อไปก่อนให้ปฏิบัติตามไปก่อนจนกว่าเราจะเข้าสู่ขั้นพระอริยทรัพย์ได เราจะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวงทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันแล้วเราจะไม่มีความสงสัยต่อไปแต่ตอนนี้อาจจะสงสัยแต่ก็ให้เอาน้ำหนักความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นเป็นความจริงที่มีการพิสูจน์มาอย่าง ต่อเนื่องถึง 2,500 กว่าปีแล้วขอให้เราเชื่อรับปฏิบัติตามแล้วเราจะได้รับประโยชน์ขั้นที่หนึ่งก็ให้เราสร้างมนุษย์ศสมบัติหรือรักษามนุษย์ศสมบัติของเราไว้ด้วยการไม่ทำบาล ด, ด้วยการไม่เสบบารายมุษด้วยการรักษาศีลห้า พอเรารักษาศี่ห้าได้แล้วรักษาความเป็นมนุษย์ได้แล้วเราก็จะพร้อมที่จะสร้างทรัพย์ขั้นที่สูงกว่าทรัพย์ของมนุษย์ทรัพย์ที่สูงกว่าของมนุษย์ก็คือเทวทรัพย์การได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันการที่จะสร้างเทวทรัพย์ขึ้นมาก็คือการทําบุญทำทานนี่ การทาความดีต่างๆการสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมทรรสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้สอนเหมือนกันหมดข้อหนึ่งสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว<ม>้พอเป็นมนุษย์แล้วขั้นที่สองก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญชนิดต่างๆ บุญนี้มีหลายแบบความกตัญญูกตวเวทีนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคามมีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาปูา่ย่าตายายครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้เราจะเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้และเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายไม่ได้เราต้องอาศัยพ่อแม่ให้กำเนิด เลียงดูเราพ่อแม่ก็ต้องมีปู่ย่าตายายเราเราก็เลยต้องมีความสำนึกในบุญคุณของปู่ย่าตายายด้วยเพราะปู่ย่าตายายเป็นผู้ให้พ่อแม่เรามา <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่มีพ่อแม่ <Yeah. S 1> ก็จะไม่มีเราดั <Yeah. S 1> งั้นถ้าเรายังมีปู่ย่าตายายมียังมีพ่อแม่อยู่ <Yeah. S 1> ขอให้เราพยายามทดแทนบุญคุณ <Yeah. S 1> ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ yeah. นี่เป็นการทำบุญในบ้านก่อนอย่าเพิ่งออกไปทำนอกบ้านทำบุญในบ้านก่อนพ่อแม่ของเรานี้ท่านเปรี่ยบเหมือนเป็นพระอารหันต์ของลูกๆ ก, <ม>ก่อนที่จะไปหาพระอารหันต์ที่อยู่นอกบ้านให้ทำบุญกับพระอารหันต์ในบ้านเราก่อน<ม>เลี้ยงดูพ่อแม่เราถ้าท่านเดือดร้อนถ้าท่านต้องการให้เราเลี้ยงดูท่านเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านไป ท่านเดือดร้อนท่านขาดแคลนอะไรถ้าเราสามารถหามาให้ท่านได้ก็ควรจะหามานีคือการทำความดีไม่เฉพาะว่าจะต้องทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เพียงอย่างเดียวการทำบุญนีหลายรูปแบบด้วยกันรือการสงเคราะห์ผู้อื่นนี่แหละเรียกว่าเป็นการทาบุญช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยาก เบื้องต้นก็ช่วยคนที่เกี่ยวข้องกับเราก่อนถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเขาไม่เดือดร้อนเราก็ไปช่วยเหลือผู้ต่อไปถ้าเรามีกําลังเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนพอที่จะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาได้ก็ทำไปอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปคิดว่าต้องทำกับวัดกับพระเท่านั้นถึงเป็นบุญเป็นกุศลพระกับวัดก็ต้องทา แล้วก็ควรจะต้องทำก่อนด้วยหลังจากทำกับพ่อกับแม่แล้วก็ต้องมาทำกับวัดก่อนเพราะวัดเป็นที่พึ่งของเราวัดเป็นที่จะให้ความรู้กับเราถ้าไม่มีวัดไม่มีพระเราก็จะไม่มีใครมาสอนธรรมะให้กับพวกเรายิ่งถ้าวัดหรือพระท่านเดือดร้อนขาดแคลนเราก็ควรทำกับวัดทากับพระก่อน แต่ถ้าวัดกับพระมีพร้อมแล้วมีมากเกินไปแล้วจะแบ่งไปทําที่อื่นก็ได้ไปทําที่โรงเรียนก็ได้ถ้าโรงเรียนเดือดร้อนทําที่โรงพยาบาลอย่างช่วงนี้ช่วงที่มีโรคระบาดโรงพยาบาลเดือดร้อนขาดแคลนเครื่องใช้ไม้สอยเราก็ไปช่วยโรงพยาบาลกันไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เราก็ช่วยไปที่ไหนทุกยากเดือดร้อนเวลามีภัยพิบัติเราก็ช่วยกันเวลามีน้ำท่วมเราก็ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจากภายน้าท่วมเวลามีอักขีภัยไฟไหมเราก็ไปช่วยคนที่เดือดร้อนช่วยเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นวัดอย่างเดียวถึงเป็นบุญเป็นกุศลบางท่านไปแยกคาว่าทานกับบุญออกจากกัน ว่าถ้าทำกับวัดได้บุญทากับที่อื่นได้ทาน <Yeah. S 1> บุญกับทานนี่ก็เหมือนกันความจริงทานนี่เป็นเหตุ <Yeah. S 1> ทานนี่แปลว่าการให้ก <Yeah. S 1> ารให้ความช่วยเหลือให้ความสุขแก่ผู้อื่นไมกว่าทานพอให้แล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาบุญคือความสุขใจอิ่มใจ yeah. Yeah. ทานกับบุญนี้ไปด้วยกัน ทานเป็นเหตุบุญเป็นผลไม่ใช่ว่าทำกับพระเป็นบุญทำกับผู้อื่นเป็นเป็นทานไม่ใช่ทำกับวัดก็เป็นทานทำแล้วก็ได้บุญทำกับโรงเรียนโรงพยาบาลก็เป็นทานทำแล้วก็ได้บุญใช่ย่นี้ก็จะเป็นเรียกว่าสังฆทานได้ยังไงเวลาโยมเอาของมาถวายก็บอกถวายเป็นสังฆทานเป็นทาน ทานเป็นการกระทําบุญเป็นผลที่เกิดจากการกระทําคือความสุขใจอิ่มใจบุญนี่แหละที่จะทำให้ใจของเราเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นเทพขึ้นมาคือความสุขใจอิ่มใจ <S S เวลานอนหลับคนทำบุญมักจะฝันดีจะไม่ฝันร้ายตื่นก็มีสุขหลับก็เป็นสุข สุขด้วยบุญที่เราทำกันดฉะนั้นพยายามทาบุญชนิดต่างๆแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์จะบังคับอยู่บ้านพ่อแม่เดือดร้อนก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนพ่อแม่สุขสบายไม่เดือดร้อนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก็ไปทำบุญที่อื่นต่อไปที่ไหนเดือดร้อนก็ไปทำที่นั่น แม้แต่สัตว์เนราฉานก็ทาก็ได้บุญเหมือนกันปล่อยนอกปล่อยปลาหรือเลี้ยงสัตว์สัตว์จะจลจัตสัตว์ที่ไม่มีที่พึ่งที่อยู่อาศัยถ้าพอช่วยเหลือเขาได้ให้เขามีที่พึ่งที่อยู่อาศัยเหมือนเราถ้าเราเป็นคนจรจัตเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็จะรู้สึกทุกข์ยากลำบาก แต่ถ้ามีใครเขาช่วยเหลือเราจัดหาที่อยู่ให้เราจัดหาอาหารหรือจัดงานให้เราเพื่อเราจะได้มีมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงดูตัวเราเราก็จะรู้สึกมีความสุขใจและขอบอกขอบใจเขาสำนึกในบุญคุณของเขาทําบุญนี้ไม่ต้องไปหวังบุญหวังคุณจากใครเนะียไม่ต้องหวังแม้แต่คําให้พรสาธุ อันนี้เป็นของแถมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะของจริงเราได้แล้วคือบุญคือความสุขใจอิ่มใจและสวรรค์ที่รอเราอยู่ <S <S 1> <S 1> ความจริงไม่ได้รอแล้วมันเกิดขึ้นทันทีบุญคือสวรรค์นี่เองขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเป็นเทวดาทั้งเป็นอย่างที่มีคำพูดในคำสอนว่าว่าเราแม้จะเป็นร่างกาย แต่จิตใจของเรานี้อาจจะไม่ได้เป็นคนเรามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ได้พราใจนี้ไม่ได้ติดอยู่กับความเป็นมนุษย์ของร่างกาย ใจนี้ติดอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้ถ้าทำบุญใจก็จะสูงขึ้นไปตามลำดำับตามชนิดของบุญที่เราทำกันถ้าไม่ทำบาปใจก็จะไม่ลงต่ำใจก็จะเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์แล้วก็ทำบุญก็จะได้ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าการเป็นเทวดา ก็ต้องมาฝึกชำระจิตใจกันทําใจให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์ตามลำดับเรียกว่าการภาวนาหรือการชาระจิตใจนี่เป็นคำสอนข้อที่สาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ข้อที่หนึ่งสอนให้ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม ข้อที่สามให้มันชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เครื่องชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็คือจิตตภาวนาที่แบ่งเป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าส ม, มถาภาวนาคือการทําจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิ ใ, ให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็ ขั้นที่สองของการภาวนาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือการสอนให้จิตใจมีความรู้ความฉลาดให้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อที่จะได้ยกระดับจิตให้ออกจากระดับของโลกิยาขึ้นสู่โลโลกุตระสมาธินี้ยังอยู่ในโลกิยะคื อ, ย, อ ย, ย, ยังอยู่ในใต้ภพยังอยู่ ยังอยู่ภายใต้การเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่พอได้เจริญวิปัสนามีดวงตาเห็นธรรมจะตัดสังโยชน์หรืกิเลสต่างๆที่คอยดึงใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยวิปัสนาญาณด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ นี่คือการภาวนาสองระดับเป็นการชำระจิตใจสิ่งที่ต้องชำระในจิตใจก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอาสวะต่างๆที่ทำให้ใจเศร้าหมองที่ทำให้ใจติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี่ต้องชำระด้วยสมถะภาวนาในเบื้องต้นพอได้สมถะภาวนาแล้ว ก็ขึ้นไปสู่ระดับวิปัสสนาภาวนาต่อไปแล้วจิตก็จะสะอาดการใช้ส ม, มถะภาวนานี้จะทำให้จิตสะอาดเป็นพักๆคือเวลาจิตสงบนี้จิตก็จะสะอาดเพราะช่วงนั้นกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาจะถูกบังคับไม่ให้ก่อกวนไม่ให้มาสร้างความสกปรกให้กับใจแต่ก็ เป็นของชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาแล้วเดี๋ยวกิเลสตัณหาก็ออกมาสร้างความวุ่นวายใจต่อไปสร้างความหิวความโหยสร้างความอยากต่างๆให้กับใจต่อไปถึงต้องใช้ขั้นที่สองหลังจากที่ได้ขั้นสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาพอกิเลสตัณหาโมหะวิชา เริ่มมาสร้างความหิวความอยากความต้องการในต่างๆสร้างความวุ่นวายใจต่างๆก็ต้องใช้วิปัสสนาใช้ไต่ล้างใช้อนิจังทุกขังอนัตตามาสอนใจให้ระ ง, งับความโลภความอยากต่างๆถ้าระ ง, งับได้ต่อไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์แบบถาวรเมืม่อไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาแล้ว ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเรตันหาโมหะอวิชาก็จะหายไปหมดใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขขังใจก็จะได้อริยทรัพย์สมบัติที่สูงสุดคือได้พระนิพพานได้อราตะผลคือได้ ทรัพย์ของพระอาหารหันต์ทรัพย์ของพระอาหารหันต์คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในใตายพบอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกขกับปัญหาต่างๆอย่างที่เรากําลังทุกกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกมันมี ถ้ามาเกิดแล้วมันจะต้องมีความทุกข์ทุกคนแต่ถ้าไม่ได้มาเกิดแล้วทุกข์ก็จะไม่มีแต่การไม่ได้มาเกิดไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่ได้มาเกิดนีน้สูญหายไปไหนผู้ที่ไม่ได้มาเกิดก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เพียงแต่อยู่ในภพชาติที่สูงสุดอยู่ในสวรรค์ที่ชั้นที่สูงสุดคือสวรรค์ชั้นพระนิพพานนี่เอง อย่าไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้นิพพานแล้วจะสูญหายไปจิตไม่มีวันสูญสิ่งที่จะสูญหายคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะสูญออกจากไปจากใจเหมือนกับเวลาที่เราเอาเสื้อผ้าไปซักนี่ สิ่งที่จะสูญไม่ใช่เสื้อผ้าซักเสื้อผ้าเสร็จเสื้อผ้าก็ยังอยู่สิ่งที่สูญจากเสื้อผ้าคืออะไรคราบสกปรกต่างๆกลิ่นเหม็นต่างๆพอได้รับการชำระด้วยการซักแล้วเสื้อผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นเสื้อผ้าที่น่าสวมใสจิตใจแบบเดียวกัน จิตใจที่ได้ชำระโดยโด้วยการภาวนาส ม, มถภ า, าวนารัวิปัสนาภาวนาแล้วจิตใจจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆปราศจากความเศร้าโศกเสียใจปราศจากความวิตกกังวลห่วงใยปราศจากเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้ จะไม่เข้ามาสู่จิตใจของเราเลยถึงแม้จะอยู่กับเรื่องราวที่เคยทำความวุ่นวายใจให้กับเราพอจิตได้ชำระจนบริสุทธิ์แล้วเหตุการณ์ที่มากระทบใจก็จะเป็นเหมือนหยดน้ำบนใบบัวหยดน้ำกับใบบัวนี้มันจะไม่ซึมเข้าหากันหยดน้ำลงใบบนใบบัวหยดน้ำก็ยังเป็นหยดน้ำอยู่ไม่หายไป มันไม่ถูกใบบัวดูดเข้าไป่จิตใจของผู้ที่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจของพวกเราอันนี้พอมีเหตุการณ์มากระทบนี้มันจะดูดกันเข้าไปเลยพอมีเรื่องมามีราวอะไรข้างนอกปั๊บมันจะใจเราจะสั่นขึ้นมาทันทีจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีเป็นเหมือนกับหยดน้ําบนกระดาษหยดน้ํำบนกระดาษซับนี่ พอหยดปั๊บนี่มันจะถูกกระดาษซับดูดหายไปหมดเลยจิตใจของผู้ที่บริสุทธิ์แล้วนี่จะถ้ายังอยู่ในโลกนี้อยู่เช่นพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรุในวันเพ็ญเดือนหกแล้วตอนนั้นพระมีพระชนมายุ 35, สามสิบห้าพันปศาท่านก็ยังมีร่างกายที่อยู่ต่อไปถึงอายุแปดสิบพันปศาด้วยกันตลอด 45, สี่สิบ้าพันปศานี้ มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เข้ามากระทบกับจิตใจของพ่อองค์ยแต่มันจะไม่ดูดซึมจิตใจจะไม่ดูดซึมเข้าไปใครจะด่าใครจะว่าอะไรจิตใจก็ไม่ได้ดูดซึมเข้าไปไม่ได้ไปเดือดร้อนไม่ไปพุ่นวายไปกับการโคลหานินทาการว่าของคนนั้นคนนี้ <S <S <S <S เวลาสูญเสียอะไรไปก็ไม่มีความเศร้ า, ศาโกศกเสียใจรับรู้ตามความเป็นจริง แต่จิตใจนี้ไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจได้นี่คือเรื่องของทรัพย์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงนำม า, มาสอนให้พวกเราแสวงหากันอย่าไปหลงหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์สมบัติภายนอกเงินทองร้อยล้านพันล้าน ตายไปมีใครเอาไปได้เคยไปงานของเศรษฐีมมีเอาเงินใส่โงไปให้กับเศรษฐีด้วยไม่มีใครเอาเงินใส่โงไปให้ให้ก็แค่เหรียญพอเป็นให้คิดว่าเอาไปใช้ในขณะที่ตายไปเท่านั้นเหรียญก็เอาไปไม่ได้เดี๋ยวสับเปล่อก็เอาไปหมดเอาเอาเหรียญใส่ไปในโรงเดี๋ยวสับเปล่าก็เปิดดูก่อนพอมีเหรียญก็เอาออก แต่ทรัพย์ภายในนี้เราเอาไปได้ทุกชนิดมนุษยทรัพย์เทวทรัพย์พรหมทรัพย์อริยทรัพย์เอาไปได้หมดฉนั้นพยายามสร้างทรัพย์เหล่านี้ขึ้นมาให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเวลาไม่ได้มาเป็นมนุษย์นี้จะไปสร้างทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้ยกเว้นถ้าไปเป็นเทวดา แล้วถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอรหันต์ที่มีตาทิพย์ที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ก็จะมีการเรียนการสอนให้สร้างทรัพย์เหล่านี้ได้แต่ก็ต้องเป็นเทพที่สนใจธรรมะธรรมโมถ้าเป็นเทพที่สนใจการเที่ยวการหาความสุขต่างๆผ่านทางตาหูจมูกนิ้งกายก็จะไม่สนใจ คือต้องมาต้องเป็นเวลาเป็นมนุษย์ต้องสนใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลชอบเข้าวัดเข้ า, า่าชอบฟังเทศฟังธรรมชอบทำบุญชอบรักษาศีลพอตายไปยังไม่ได้ไปถึงขั้นสูงสุดได้แค่ขั้นเทวดาถ้ามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้ารู้จักที่เคยรู้จักกันมาก่อนมาติดต่อก็สามารถสอนได้ เหมือนพระพุทธเจ้าทรงสารพระมารดาพระพุทธมารดาหลังจากที่ทรงตัดสู้แล้วทรงได้ตาทิพย well ์แล้วสามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ต่างๆในสวรรค์ได้ก็ทรงค้นหาพระพุทธมารดาซึ่งตอนนั้นได้ไปเกิดเป็นเทพพอได้พบกับพุทธมารดา ก็ทรงสอนอยู่หนึ่งพันษาด้วยกันทรงเสด็จขึ้นในสักขึ้นสวรรค์ทุกคืนผ่านทางกายทิพย์ของท่านสอนพวกเทวดาและพุทธมารดาให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันให้ได้อริยทรัพย์อยากเทวทรัพย์ให้ขึ้นไปสู่พรหมทรัพย์และอริยทรัพย์ตามลําดับ อันนี้เป็นกรณีพิเศษต้องมีญาติมีพี่น้องมีคนรู้จักที่เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอราหันต์แล้วคิดถึงเราแล้วถ้าเราไปเกิดอยู่ในสวรรค์พอท่านอยากจะช่วยเหลือเราท่านก็ส่งกระแสจิตไปหาเราได้เท่านั้นถ้านอกจากนั้นแล้วไม่มีทางที่จะเรียนที่จะสร้างทรัพย์ต่างๆได้เหมือนกับตอนที่เราเป็นมนุษย์ในตอนนี้ ตอนนี้เราสร้างทรัพย์ได้ทุกระดับเลยสร้างมนุษยทรัพย์ด้วยการรักษาศี่ห้าสร้างเทวทรัพย์ด้วยการทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆสร้างพรหมทรัพย์ด้วยการฝึกสมาธิทําใจให้สงบเข้าฌานในระดับต่างๆสร้างอริยทรัพย์ด้วยการเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษให้เห็นอริยสัจสีแล้วใจก็จะ ขึ้นไปขึ้นใจก็จะได้รับทรัพย์เหล่านี้เป็นสมบัติต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือให้มาสร้างทรัพย์ภายในให้มากกว่าสร้างทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอ ก, รนอกสร้างพอให้อยู่ได้สบายไม่เดือดร้อนก็พอไม่ต้องหรูหราไม่ต้องร่ำวรวยรวยรวยไม่รวยถ้ามีทรัพย์ มีปัจจัยสี่ก็อยู่ได้เหมือนกันมีความสุขทางร่างกายได้เท่ากันจึงอย่าไปหลงกับการหาทรัพย์ภายนอกมากจนเกินไปเอาเวลามาหาทรัพย์ภายในดีกว่าที่เราจะเอาติดตัวไปได้เป็นทรัพย์สมบัติของเราการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติสาขังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอ an ุปการปฏิอิชิต um ังปะทิตังตุมหังคิปเมววาสมิจโตสะเภปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยาถามณิโชติ ราโสยะธาสัพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโววินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะภิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนยะตาโรธรมมวาทานติอายุวโนสุขัง า, าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามกันใครมีคำถามอะไรสงสัยอยากจะรู้ก็เชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็เข้ามาถ้าไม่อยากถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ324 YouTube 329วิทยุออนไลน์14 Zo ูมผู้รับฟังหน้ากุฏิ 150, ร5 0หรวม824ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคุณเอสโบเลอร์อยากทราบว่าเราต้องทำกรรมอะไรถึง จะมีบริวารมากๆไม่ต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวเจ้าค ะ, ะก็ต้องมีความเมตตาเพื่อเผ้อเผลอแผ่กับมวลชนสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาต้องมีความเมตตาไม่จองเวรจองกรรมผู้อื่นเอาเวลาห้นตุอัมายาปชาห้นตุไม่เบียดเบียนผู้อื่น อา น, นิคาโหตุไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นสุขีอัตานังปาริหะอันตุให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้ามีความเมตตาแล้วจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายหลับก็สุขตื่นก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิดอันนี้คืออา น, นิสงส์ของการมีความเมตตา คำถามที่สองถ้าเราสวดมนต์แต่จิตฟุ้งซ่านมากไม่เป็นสมาธิจะต้องแก้ไขอย่างไรคะก็ต้องมันฝึกสติ่อนมันฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา <S <S อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆให้พุทโธพุทโธไปในใจลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธอาบน้ำล้างอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันก็พุทโธไป ปล่ควบคุมความคิดไว้อย่าให้คิดแล้วเดี๋ยวเวลามานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิใจก็จะไม่ฟุ้งพยายามใช้พุทโธพุทโธนี้จะดับความฟุ้งซ่านได้หยุดความฟุ้งซ่านได้เวลาฟุ่งมากๆก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแป๊บๆเดียวไม่ถึงห้านาทีหายฟุ้งคุณธมที่สาม บางครั้งรู้สึกเหมือนว่าเราประมาทในผู้อื่นเราไปคิดว่าคนนั้นน่าจะโง่คนนี้น่าจะโง่แต่พอไปไปมามาสักระยะ เ, ยเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดประมาทไว้เล ย, เ, ยเขาเรียนเก่งมากเราเป็นอะไรเจ้าคะเราโง่ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> คนฉลาดก็ไม่มองคนอื่นคนฉลาดก็มองตัวเอง คนโง่ชอบมองคนอื่นชอบตำแหน่คนอื่นไม่ชำไม่ชอบตำแหน่ตัวเองคนฉลาดนี้ชอบตำแหน่ตัวเองไม่ชอบตำแหน่ผู้คุณสุขใจสังขารในบทสวดบางสกุลอนิจาวัตสังขาราหมายความว่าอย่างไรคะต่างจากสังขารในห้างในขันห้าไหมคะคําว่าสังขารนี้มีความหมายอยู่สองความหมายด้วยกัน ความหมายหนึ่งในสังขารในขันห้าก็คือความคิดปรุงแต่งความคิดต่างๆนี้เรียกว่าสังขารคิดว่าจะไปวัดวันนี้ก็เรียกว่าใช้สังขารปรุงแต่งไปสังขารอีกอย่างคือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุสีนน้ำลมไฟคือร่างกายนี้ก็เรียกว่าสังขารเหมือนกนันั้นก็เป็นสิ่งที่เมื่อมีการประกอบขึ้นก็จะต้องมีการเสื่อมลง ร่างกายเมื่อ ม, มีการประกอบขึ้นมาด้วยดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องมีการแยกตัวของดินน้ำลมไฟพอคนตายนี่ลมก็ไปก่อนไฟก็ตามไปน้ำก็ตามมาแล้วเดี๋ยวก็เหลือแต่ดินเรียกว่าสังขารให้พิจารณาสังขารส่วนใหญ่เราจะเอาหมายถึงร่างกายเพราะเวลาผ้าสวดนี่จะสวดตอนที่ไปชักผ้าบางสกุลที่น่าลงศพเนยะ เนี่ยสังขารคือร่างกายของคนที่นอนอยู่ในโรงนี้ไม่เที่ยงหนอะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปการไม่มาเกิดได้นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดการไม่ต้องมามีดุจพ้นจากการมีสังขารได้ก็จะดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะหลุดได้ก็ต้องปฏิบัติรรมทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปคุณกัลยาการได้ทัศนาเห็นสมณะแม้จะไม่ทราบว่าท่านบรรลุคุณวิเศษใดแต่มองดูท่านด้วยจิตเลื่อมใสน้อมใจนึกถึงคุณธรรมของท่านอย่างนี้จะได้รับอนิสงค์ไห ม, มคะใจก็มีความสุขมีปิติเวลาหนเห็นผู้ที่มีกิริยาสงบเนี่ย ต่างกับเวลาเห็นเหล่งไหมเวลาเห็นเหล่งนี้ดูแล้ววุ่นวายไหมวิ่งไปนูน่นวิ่งมานี่กับเวลาเห็นคนที่ก็มีความสงบเรียบร้อยเนี่ยสัมมนนี้เป็นผู้สงบสงบกายสงบวาจาและสงบใจเแม้นจะไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เห็นกิริยากายของท่านก็เกิดความประทับใจขึ้นมาคุณน้ำผึ้ง กลัวแก่ไปลําบากไม่มีเงินดูแลตัวเองรบกวนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่รู้จะแนะนํำยังไงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความกลัวความจริงถ้าเราไม่ขี้เกียจไม่ต้องกลัวไม่อดตายถ้าเรามีความขยันนี่ไม่มีวันตายขยันไปเถอดเก็บขวดเก็บกระป๋องข้างถนนก็เลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้ คุณสุการันาการสมาทานศีลแปดที่บ้านสมาทานตั้งแต่ตีห้าแล้วรักษาศีลจนถึงรุ่งอรุณวันใหม่คือตีห้าของวันครบแล้วใช่ไหมคะก็ยียบสีชั่วโมงเนี่ยหมายความหมายก็คือการรักษาศีลหนึ่งวันหนึ่งคืนด้วยกันคุณมหาพัทยาถ้าเราบำเพ็ญบุญกิยาวัตุทั้งสามประการคือ ทานศีลภาวนาสมบูรณ์ดีแล้วเราสามารถแผ่ส่วนบุญแก่สรพพสัตยญาติมิตรพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ไหมครับแล้วเขาเหรานั้นจะได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศไหมครับส่วนใหญ่ถ้าจะอุทิศบุญนี้ท่านนิยมให้ทำทานกันทำบุญทำทานอย่างใดอย่างหนึ่งใส่บาตรก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้หรือบริจาคเงินให้โรงเรียนโรงพยาบาลก็ได้เป็นทานเหมือนกัน กก็สามามรรถอททิใ้้้ัับบผูี่ไไปแลวดคุณปริชาติลูกรังเกียจขยักขยงไส้เดือนกิ้งกือพยายามทำใจให้มองว่าเป็นเพียงธาตุสีแต่ก็ยังตกใจและไม่ชอบไม่ชอบเห็นเหมือนเดิมควรทำใจอย่างไรดีเจ้าคะก็ดูดูลำไสเราบ้างสิขยักขยงไหมยามีลำไสกันหรือเปล่าลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่นะ ทำไมอยู่กับมันได้เนะี่ยอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดพอเห็นตัวหนอนตัวไส้เดือนหน่อยทําเป็นมีอาการขึ้นมาอยู่กับลําไส้มาตั้งแต่เกิดไม่มีอาการอะไรเลยคุณกรุงความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงบุญความคิดปรงบาปความคิดปรุงแต่งในอรูปฌานมีความหมายอย่างไรครับอันนี้ไม่ก็เหมือนกันเลย คุณวชิรวิทย์ถือศีลแปดไม่ต้องแต่งชุดขาวได้ไหมครับได้ศีลไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นเพียงแต่ส่วนประกอบเป็นเครื่องแบบแต่ตัวศีลยงอยู่ที่กายวาจาใจไม่คิดฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดกไม่กระทำสิ่งเหล่านี้ก็มีศีลขึ้นมาหมดแล้ว ส่วนเสื้อผ้านี้ก็เป็นเพื่อความเรียบร้อยสวยงามแต่ถ้าไม่มีซื้อมาใส่ก็ไม่ต้องซื้อมาก็ได้ไม่มีชุดขาวใส่เสื้อผ้าธรรมดาที่เราใส่ทุกวันก็ได้ศีลอยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ไม่ดื่มสุรายาเมาไม่พูดปดโกหกหลอกลวง ถึงแม้เราจะใส่เสื้อผ้าขาดขาดก็ไม่เป็นไรเสื้อผ้าจะดูแล้วเป็นเหมือนผ้าที่ริ้วก็ไม่เป็นปัญหาเลยก็ไม่ได้มาทำให้ศีลของเราหมุนหมองแต่อย่างใดแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่รักษาศีลแล้วไปใส่เสื้อผ้าที่สะอาดชุดขาวทำด้วยผ้าชนิดดีๆสั่งมาจากเมืองนอกมันก็ไม่ได้ทำให้มีศีลเกิดขึ้นมาได้ สินอยู่ที่การรักษากายวาจาใจของเราไม่ให้ไปทํำบาปนั้นให้เราเข้าใจประเด็นนี้แต่ถ้าเราอยู่ในโลกในสังคมเวลาไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าต้องใส่ชุดนั้นชุดนี้เราก็ต้องใส่ตามเขาคุณซินดี้ส่วนมนในใจไม่เปล่งเสียงได้ไหมคะได้ดีสิจะไ ด, ได้หนึ่งไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขา สไม่เหนื่อยส่วนในใจมันไม่เหนื่อยแน้วใจจะสงบง่ายกว่าส่วนด้วยวาจาส่วนด้วยเสียงยันส่วนในใจได้สวดไปเลยแล้วอย่าไปคิดว่าต้องสวดให้เทวดาฟังเทวดาเขาไม่มาฟังสวดบนของเราหรอกเสียงเราไพเระขนาดไหนถึงจะชวนเทวดามาฟังการสวดมนต์นี่ไม่ได้สวดให้ใครฟังสวน เพื่อทำใจให้เราสงบ<อ>เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านต่างๆ<อ>เวลาเราสวดแล้วเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ไ<อ>ใจเราก็จะไม่ฟุ้งใจเราก็จะเย็นจะสบาย<อ>นี้คือเป้าหมายของการสวดมน<อ>เพื่อทำใจให้สงบให้เย็นให้สบาย<อ>ถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้ยังดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้ให้สวดมนไปก่อนแต่ถ้าอยากจะให้สงบมากกว่าการสวดมนก็ หลังจากสวดไปสักพักแล้วลองดูลมหายใจต่อใจจะสงบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคําถามต่อเนื่องของคุณน้ําพึ่งเมื่อสักครู่นะคะที่คิดว่ากลัวลําบากต้องมีเงินเยอะๆเพื่อดูแลตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่คะก็ดูพระสิพระพุทธเจ้าบอกให้หาวันต่อวันก็พออาหารบิณฑบาตเนี่ยได้ม า, มามากน้อยพอฉันเสร็จแล้วก็ให้สละดไปเลย ไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวดถ้ามีความเพียรพยายามบินตบานนี้ลาบเหลือเฝือพระพุทธเจ้าสอนพระบทใหม่เวลาพระบทใหม่นี้ท่านจะให้สอนเรื่องบินทบานเป็นข้อวัดปฏิบัติให้ขยันการบินตบานเราจะไม่มีวันอกตายลาบเหลือเฝือ<ม>การทำอาหากินของเราก็เหมือนกันเราก็ทําไปตามกําลังของเราถ้าพอเก็บได้ก็เก็บไปถ้าตามได้ที่เราหาได้ แล้วก็จะหาได้ไปเรื่อยๆถ้าถึงคราวที่หาไม่ได้ก็ถึงเวลาตายก็ยอมรับความจริงของเราถึงเวลาอดก็ต้องยอมรับว่าต้องต้องถึงเวลาอดคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นรวยหรือจนบางทีถึงเวลามันจะต้องอดมันก็ต้องอดเหมือนกันเป็นเศรษฐีไปหลงป่ามันก็อดได้เหมือนกันเพรนั้นไม่ต้องไปกลัวเกิดมาในโลกนี้แล้วหนีไม่พ้นเนื่องความทุกข์ยากลําบาก แต่าตราบใ ด, ดที่เรามีความเพียรมีความขยันนี้จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ดับทุกดับความทุกข์ต่างๆได้ด้วยความเพียรนั้นอย่าขี้เกียจเท่านั้นะอย่างอมืองอเท้าขอให้พยายามสู้ไปสู้ไปตามกําลังของเราสู้ด้วยศีลและธรรมอย่าไปสู้ด้วยการกระทำบาปพระราหกันคุณหนูลือนาม จิตของหนูจะถูกส่งมาที่พระอาจารย์ตลอดเวลาที่ไม่ได้หลับจิตเป็นสุขใช่ไหมคะคือจิตติดพระอาจารย์ใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่ควรนะควรจะดึงจิตเข้าข้างในดีกว่าใช้พุทโธดึงเข้าพุทโธพุทโธไปอย่าไปส่งหาใครนะเดี๋ยวส่งไปแล้วเขาไม่รับเราจะเสียใจนะบางคนมาใกล้ชิดหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้หาถอย ห, ห่างๆ ห, หน่อยก็เสียใจนะ มาหาเช้าหาเย็นมาหาทําไมอพอแล้วมาทั้งสองครั้งก็พอมาวันมาว่าไหวเวลากลับก็ไหวาลาก็พอแล้วนี่รุ่นเดี๋ยวก็เข้ามาเอาเรื่องนุ่นเข้ามาเอาเรื่องนี้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาหอ่ออย่าทําอย่างนี้ไม่เหมาะโดยเฉพาะเป็นเพศตรงกันข้ามเป็นผู้หญิงไม่เหมาะบอกไปที่นี่ก็เลยถอยไปเลยถอยไปไกลเลย ทำยังไงก็ถ้าไม่บอกเดี็กก็เสียหายก็ต้องบอกคุณวชิรบดิตหลังจากนั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบแล้วสมาธิก็คลายออกแต่ยังนั่งหลับตาอยู่ใจมันกลับมาคิดเรื่องอื่นๆอีกจะต้องออกจากสมาธิหรือพิจารณาสิ่งที่คิดต่อดีครับจะเรียกว่าการใช้ปัญญาใช่หรือเปล่าครับถ้ายังไม่ทํางานทางสมาธิอย่าเพิ่งไปคิด ทางปัญญาดีกว่าคิดพุทธโธใหม่ดีกว่าเริ่มพุทธโธใหม่สวดมนต์แล้วดูลมหายใจใหม่ให้จิตเข้ากลับเข้าไปความสงบให้มากๆบ่อยๆก่อนจนกว่าจะชำนาญก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิไปคิดเดี๋ยวมันฟุง้งมันไม่มีอะไรคอยเบรกแต่ถ้ามีสมาธิแล้วจะมีสติพอคิดไปทางที่จะทําให้มันฟุง้งมันก็จะเบรกได้ยังอย่าเพิ่งไปทางปัญญาพยายาม ฝึกสมาธิให้เก่งก่อนให้ชำนาญก่อนสามารถหยุดความคิดความฟุ้งได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วถึงค่อยไปคิดทางปัญญาต่อไปคุณนาวินการบรรลุพระโสดาบานันมีอาการอย่างไรครับมันก็เป็นเรื่องสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะงั้นก็ปฏิบัติไปเถะนะิดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเดี๋ยวพอมันรู้มันมันมันรู้เอง ตอนนี้บอกไปก็เท่านั้นบอกไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมบ<ช>อกไปแล้วก็ไปจินตนาการนึกกิ่งสิ่งที่เรานึกกับสิ่งที่มันเป็นจริงมันไม่เหมือนกันหรอกเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปเขาเล่าว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกคิดไปแต่พอไปถึงสถานที่จริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องเลยยั้นไม่ต้องไปกังวล่ะว่ามันเป็นยังไงขอให้รู้วิธีทําให้มันเป็นก็ลเล่ากันแล้วทําทมันดี<อ>กว่าจะได้ไม่ต้องคอยมาถามอยู่เรื่อย แดีวก็ถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้คนไหนที่ถามบ่อยๆนี่หยุดคําถามอย่าปล่อยเข้ามาแสดงว่าพุ่งเรื่องคําถามนะบ้าคําถามเขาเลยคนที่เป็นแฟนประจําที่วันนึงส่งเข้ามาทีสามสี่ข้อสามสี่ข้อเนี่เราก็หยุดสักบ้างนะไบ ป, ปฏิบัติ ด, ดีกว่ารู้มากไปแล้วตอนนี้กําลังบ้าคําถาม คุณวีรพงศ์เวลาทํากับข้าวต้องทําร้ายมดตายเป็นประจําไม่มีเจตนาครับบาปไหมครับทําไมต้องไปทำมันด้วยทำกับข้าวก็ทํำกับข้าวไปเลยมก็อยู่ส่วนมดเองไม่ต้เกี่ยวกันเลยถ้ามีสติมันก็มันก็หลบได้หลีกได้หาที่ที่มันไม่มีมดถ้ามีมดก็หาวิธีกันไม่ให้มันเข้ามาได้นะเดี๋ยวนี้ก็มีช็อกขีดช็อกขวางทางมัน พอมันได้กินช่องมันก็ไม่เข้ามาน่ะส่วนที่เหลือก็กวาดมันออกไปถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆแก้ได้แต่ความมักง่ายของเราความพีจเกียรติของเราก็เลยไม่เห็นไม่เห็นความสําคัญของชีวิตของผู้อื่นมันมันก็มีความรู้สึกเหมือนเรามันก็รักตัวกลัวตายเหมือนเราเหมือนกันเห้นเราต้องคิดถึงเขาโขกเขาโขออกเราเหมือนกัน เขากลัวทุกเราก็กลัวทุกเขากลัวตายเราก็กลัวตายให้คิดแบบนี้แล้วเราจะได้ไม่กล้าทําร้ายผู้อื่นคุณสวัสดีกิริยาอาการของจิตเช่นโกรธเกลียดรักชอบเขาเป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นใช่ไหมคะเราเห็นแล้วแค่วางใช่ไหมคะเขาเป็นธรรมชาติของเขาส่วนเราก็เป็นเราคนละส่วนกันใช่ไหมคะมันวางได้ก็ดีสิ นี่มันวางไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิเราจะวางไม่ได้ต้องฝึกสมาธิพอจิตสงบแล้วจิตมันจะวางของมันเองเป็นแต่คิดว่าจะวางมันวางไม่ได้เวลาโกรธใครแล้วนี่ใจบกไม่โกรธไม่โกรธไม่ได้เวลาโลภอยากได้อนะไรนี่ใจสั่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าฝึกสมาธิได้ทำใจให้สงบได้มันก็จะหายสัน่นหายโกรธได้ ฉน้นต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตเป็นอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วพอจะสั่งให้มันเฉยก็จะเฉยได้คุณไพทูตศีลบริสุทธิ์มีลักษณะอย่างไรครับก็ไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่บัพเพิผิดอะไรีไม่ทำผิดข้อต่างๆข้อห้ามต่างๆก็เรียกว่าเป็นศีลบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเป็นพระก็227ข้อถ้าเป็นแม่ชีนะก็8ข้อหรือสิข้อ แม่ชีบางท่านก็รักษาสิบข้อเหมือนสนัมมณีแม่ชีบางท่านหรืออุบาสิกาก็รักษาแค่แปดข้อศี่แปดญาติโยมผู้ที่ยังไม่ได้บวชยังไม่ได้โกนศรีรษะยังไม่ได้ถือศีลแปดก็ถือสี่ห้าก็บริสุทธิ์ตามขั้นไปตามตามกำลังของการรักษาของผู้ปฏิบัติไปหมดแล้วเหระโอเค okay. เรื่องของศีลมันมีหลายระดับเราก็ต้องทำจากระดับง่ายขึ้นไปสู่ระดับยากถ้าเริ่มที่ศีลห้าไม่ได้เอาศีลหนึ่งก็ได้มีข้อไหนที่เรารักษาได้บ้างในห้าข้อนี้เอาข้อหนึ่งก่อนได้ข้อหนึ่งแล้วทีลองรักษาข้อสองต่อได้ข้อสองแล้วก็รักษาข้อสามหัดทาไปทีละข้อก่อนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องทาทีเดียวห้าข้อเลย เหมือนเด็กใช่ไหมน้อมลุกคุกคานไปก่อนเด็อยู่ดีๆจะให้เดินเจ็ดเก้าเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ยังไม่มีบารมีพอถ้ามีบารมีแล้วเนี่ยรักษาศีลได้บวชได้เลยบางคนบวชตั้งแต่เป็นเด็กได้เป็นสัมมณีบวชตั้งแต่เป็นสัมมณีอย่างสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชผู้ก่อตั้งวัดยานี้ท่านบวชมาตั้งแต่ท่านเป็นเด็กนหลวงปู่ม่นก็บวชเป็นเณรมาก่อน แต่ต้องลาสิกขาไปเพื่อช่วยงานทางบ้านพ่อแม่ต้องการให้คนช่วยทำไร้ไถานาก็เลยศึกจากเนรนมาระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กลับไปบวชใหม่เพราะท่านเหล่านี้มีอุปนิสัยเดิมชอบรักษาศีลกันาการรักษาศีลของผู้ที่มีอุปนิสัยนี้จะรู้สึกง่ายคนที่ไม่มีอุปนิสัยไม่เคยรักษาศีลมาก่อ น, นจะรู้สึกว่ายาก แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้หัดทําใหม่ได้ถ้ายังทําไม่ได้ตอนนี้ก็บังคับต้องบังคับต่อไปนี้จะไม่ดื่มชุราข้อที่นข้อนี้ก่อนถ้าไม่ดื่มชุลาได้แล้วไม่ฆ่าสัตว์พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดแมลงอะไรต่างๆยุงก็จะไม่ตบมาก็เขียมันไปไล่มันไปอะไรทำนองนั้น ห, หัดทําไปทีละข้อทรัพย์ของผู้อื่นก็จะไม่เอา จะไม่รักไม่ทรัพย์จะไม่เอาทรัพย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของของสามีภรรยาแฟนของผู้อื่นก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ไปไประพฤติผิดประเวณีแต่ละข้อเราก็ลองทำดูไปต้องตั้งใจต้องมีความตั้งใจไม่ว่าจะทำอะไรถ้าไม่ตั้งใจไว้ก่อนมันก็จะปล่อยไปตามอารมณ์เกิดเวลาอารมณ์อยากจะทำขึ้นมาก็ทาเลย แต่ถ้ามีความตั้งใจว่าจะไม่ทำจะไม่ทําผิดข้อนี้นะถึงแม้จะมีเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็จะพยายามยับยั้งไว้เพราะเราได้ตั้งตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะไม่ทําผิดข้อนี้เช่นจะไม่ดื่มสุราเนี่ักชาวพูดบางท่านนี้จะถือละเว้นดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษากันตลอดเวลาสามเดือนจะไม่ดื่มโซดา ถ้าไม่ตั้งเดี๋ยวตอนเย็นเพื่อนฝูงมาชวนให้ไปกินเหล้าไหมเว้ยอะไปก็ไปเพาไม่ได้ตั้งแต่ถ้าตั้งแล้วนี่ก็บอกให้ไปไม่ได้ว่ารรษา น, านี้ตั้งใจว่าจะไม่เดินทุราอย่างเบื้องต้นต้องมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจไม่โกหกตัวเองตั้งแล้วก็ลืมว่าตั้งไปตั้งไม่เดินทุราพอตอนตกเย็นปากเปี้ยวขึ้นมาก็หาอะไรมาดื่มองนี้ เรียกว่าไม่มีสัตว์จะเราก็ต้องมีความเพียรพยายามรักษาให้ได้ต้องมีความอดทนเพราะเวลาจะทำจะไม่ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้บางทีมันยากมันจะทึงรู้สึกหุดเจ็บลำคาญใจขึ้นมาก็ต้องทนกับความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะทำได้คำถามต่อเนื่องคุณไพฑูนนะคะ ถ้าจิตไม่สงบเป็นพราะศีลไม่บริสุทธิ์มีส่วนด้วยไหมครับก็มีถ้าถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์มันมีเรื่องค้างคาอยู่ในใจเป็นทะเลาะกับคนนั้นคนนี้มันก็ค้างคาอยู่ในใจเวลามานั่งสมาธิมันก็ยังคิดถึงเรื่องที่มีเรื่องกันอยู่ถ้าขึ้นลงขึ้นศาลนี่มันก็จะวิตกกังวลกับผลที่จะเกิดตามมาใจก็จะไม่มีกติกกระจายที่จะนั่งสมาธิใจก็จะฟุ้งอยู่กับเรื่อง ที่เราไปทำผิดกันถ้าไม่มีทำผิดมันก็ไม่มีเรื่องที่จะมาทำให้ก่อป่วนจิตใจใจก็จะสงบง่ายฉังนั้นการมีศีลนี้เป็นการสนับสนุนการฝึกสมาธิให้ฝึกง่ายกว่าถ้าไม่มีศีลเราจะฝึกไม่ได้จะฝึกยากคุณธรรมดาโลกธรรมแปดถ้ายังไม่ได้โสดาบานันการหมั่นนึกถึงคำสอนบ่อย ฟังธรรม <ain> breasts, บ่อยๆจะเพียงพอช่วยเตือนให้เราไม่หลงโลกไปนานๆไหมคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยดึงเราไว้ต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าสอนการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการเวลาก็คือสมัยพุทธกาลก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งสมัยก่อนนี้ต้องเข้าวัดถึงจะฟังธรรมได้ก็ต้องรอวันหยุดวันหยุดทางานก็เข้าวัดฟังธรรมกัน สมัยนี้เราฟังทำได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีธรรมะอยู่ในมือถือเราแล้วอยากจะฟังเมื่อไรอยากจะอ่านเมื่อไรสามารถทำได้ยั่นพยายามฟังอยู่เรื่อยๆแล้วจะมีจิตมีธรรมะคอยเหนี่ยวร่างจิตใจไม่ให้ออกนอกรูนอกทางไปคุณมีพบถือศีลแปดไปนวดได้หรือเปล่าคะ ได้นะครูบาอาจารย์นั่านก็มีพาเนีเยไปนวดแต่จะไปนวดแบบที่เป็นกลามก็แล้วกันอาบอบนวดอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้านวดแบบแผนโบราณ น, นี้ได้อยู่นวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของร่างกายอปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรต่างๆอก็นวดไปใ้ได้อยู่แต่ถ้านวดเพื่อทําผิดทางการประพฤติผิดประเวณีนี่ไม่ได้นะเรียกว่า กูบาอาจารย์ท่านก็มีพาเนนคอยกลับใช้คอยบีบเส้นให้เรื่ยยอยๆเพราะเส้นสายคนแก่มันจะตึงง่ายแลวตะคิวจะเป็นง่ายก็เลยต้องคอยบีบคอยนวดให้มันคลายให้มันนุ่มหมดแล้วเลยคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวฝนพ้าจะมาหรือเปล่ปาม่รู้สึกจะคึมๆขึ้น ม, ม, มานะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพิจพิจารณาไปปฏิบั ต, บต